สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบารานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบเอ็ดมาทำสุภาษิตบทที่สิบหกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้น ม, มาจากพระเจ้าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผน ง, งานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้โปรดฟังอีกครั้งครับแผน ง, งานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้า ส่งช่างจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้พี่น้องครับในคริสเตียนเรานั้นเราคุ้นเคยทุกคําว่าการทรงนําการทรงนําหมายถึงอะไรครับการทรงนําหมายถึงการที่พระเจ้าได้มีอํานาจอ ธ, ธิปไตยเป็นความเชื่อของคริสเตียนนั้น พระเจ้าได้มีอำนาจอธิปไตยที่สามารถควบคุมครอบครองและนำนำทิศทางชีวิตนำพาเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้นี่คือความเชื่อของคริสเตียนครับฉะนั้นเมื่อเราวางแผนชีวิตของเราคริสเตียนนั้นมีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงนำในข้อที่หนึ่ง แผน ง, งานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่า we may make our plans but God has the last word มนุษย์นั้นสามารถที่จะวางแผนของตนได้จะวางในใจจะวางออกมาอยู่ในกระดาษแต่คนที่จะ ทำให้แผงงานลุล่วงสำเร็จนั้นคือพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ที่บังคับบัญชาพระพรบังคับบัญชาผลลัพธ์คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้ามีสิทธิอานาจสูงสุดในการครอบครองควบคุมกากับดูแลทุกอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ที่เลิศดประเสริฐของพระเจ้าเอง เราเขียนได้ว่าความคิดจิตใจคำพูดของมนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกันมันเป็นกระบวนการความคิดมันเป็นกระบวนการที่นํามาซึ่งการกระทํานํามาซึ่งคาพูดการสื่อสารพี่น้องขับเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เราเองนั้นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเราจะต้องยอมมอบแผนงานของเราให้กับพระเจ้า ในเพื่อนพี่บอกว่าคาตอบของลิ้นบางท่านอ่านแล้วก็งงครับว่าคำตอบของลิ้นคืออะไรลินนะครับเป็นของมนุษย์ครับคำตอบของลิ้นก็คือคำตอบของมนุษย์ที่พระเจ้าจะนำเขาให้ตอบให้พูดให้ทาให้เป็นไปนตามน้ำพรไทยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อพึ่งและวางใจในแผน ง, งานของพระเจ้า เพราะว่าแผนงานของพระเจ้าก็อยู่เหนือความคิดของเราเวลาเราคิดแผนอะไรครับทําอะไรจะต้องวางแผนในแผนกันต้องมอบแผนการของเราไว้กับพระเจ้าและยอมรับว่าแท้จริงพระเจ้ามีอำนาจควบคุมนะครับมีคาพูดอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เสนอพระเจ้าสนองหรือมนุษย์เสนอ พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้แท้จริงพระเจ้ามีอำนาจควบคุมการกระทำของมนุษย์ครับและคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงและหลีกหนีจากการควบคุมของพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนอย่างดีก็ตามเราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากแผนการของพระเจ้าได้เราจะต้องมีท่าทีแห่งการพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นทรงอำนาจอธิปไตยสูงสุดครับ ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในแผนของพระเจ้าฉะนั้นเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งแผนงานของเราเวลาเราที่เราทูลเสนอทูลถวายแผนงานของเรากับพระเจ้านั้นเราต้องกลับมาดูแผนงานของเราก่อนว่าแผนงานของเรานั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งแผนงานที่มีศีลธรรม จ, ญญจริยาจริยธรรมแม้ว่าการดำเนินแผนการนั้น การทำตามแผนการนั้นจะำลาบากยากเย็นหรือหรือมีอุปสรรคเราควรต้องมีหลักหลักของแผนการหลักการวางแผนให้อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมศีลธรรมจัรญาที่ดีเราควรจะให้แผนงานของเรานั้นดารงไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรมมีธรรมิบาลและมีความรักแผนงานทุกๆแผนงานครับจะต้องสําแดงถึงพระเจ้า แผนงานทุกแผนงานครับเราจะต้องวางให้สอดคล้องไม่ผิดพระวจนะของพระเจ้าและไม่ผิดนามธรรมของพระเจ้าให้ดวงความคิดของเรานั้นเป็นดวงความคิดที่ดําเนินตามทางของพระเจ้าอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมถ้าเป็นเช่นนี้เราก็มั่นใจว่าแผนงานของเราพระเจ้าทรงรับรองอย่างแน่นอน ข้อที่สองครับทางทั้งสิ้นของมนุษย์นั้นก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจราสังกิดว่า you may think everything you do is right but the Lord judges your motives you may think everything you do is right but the Lord just judges your motives บางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่กขสทำนั้นถูกต้องเสมอเขานั้นอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงครับ สิ่งที่ตัวเองทำก็ไม่เคยผิดเขาอาจจะดูเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าทรงสัพพันธ์อยู่ครับทรงรู้ล่วงหน้าทรงรู้จิตใจลึกลงไปในถึงขั้งในของมนุษย์พี่น้องครับไม่ว่าแรงจูงใจใดๆก็ตามพระเจ้ารู้เราเองก็รู้แต่บางคนไม่รู้ครับอามว่าทำไมบางคนไม่รู้เพราะว่าเขาเข้าใจผิดตั้งแต่ทีแรกคนที่เข้าใจผิดตั้งแต่ทีแรกหรือคนที่ ชอบคิดมโนโเข้าข้างตัวเองและคนที่มีอีโก้สูงนะครับบางครั้งแรงจูงใจของเขานั้นเขาไม่รู้กับว่าจะดีหรือไม่ดีเขาไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเขาไม่เคยฟังคนอื่นไม่เคยที่จะให้คนอื่นที่จะมาดูชีวิตของเขาและเขาจะสํารวจชีวิตของตัวเองว่าเขานั้นมีแรงจูงใจท่าทีอย่างไรบ้าง แต่สิ่งที่แน่นอนแน่แท้ครับคือพระเจ้าจะนําทุกคนเข้าสู่การพิพากษาพระเจ้าจะนําเข้าสู่การพิพากษาครับในเรื่องของแรงจูงใจคนอื่นไม่ทราบตัวเขาทราบหรืออาจจะตัวเขาเองไม่ทราบแต่พระเจ้าทราบครับพระเจ้าทรงร่วงรู้และพระองค์ทรงสัพพัญญุไม่มีอะไรที่จะสามารถปกปิดปกบังปิ ด, ป, ดปิดบังพระเจ้าได้นะครับ พระเจ้าจะนำเข้าสู่การพิพากษาโดยวางอยู่บรากฐานของเหตุและผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นอะไรเป็นแรงจูงใจและคนคนนั้นมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรพระเจ้าเตือนคนคนนั้นและพระเจ้าให้พระเจ้าของพระเจ้าเตือนโปร่งชงรู้และสงรู้ล่วงหน้าเราไม่สามารถที่จะโกหกหลบหลีกหาเหตุผลจอมปลอมที่จะอ้างกับพระเจ้าได้เลยในวันสุดท้ายขอ จงเป็นข้อควรละมาระวังครับข้อ3ครับจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสนับสนาไว้ Ask the Lord to bless your plans and you will be successful in carry them out Ask the Lord to bless your plans and you will be successful in carry them out เมื่อเราละความกังวลความห่วงใยของเราไว้กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การทูลขอการวิงวอนให้พระเจ้าดูแลชีวิตของเราผ่านทางแผนงานของเรานะครับผ่านการทํางานของเราผ่านความคิดของเราครับนั่นคือเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานแล้วความสมบิกจะเกิดขึ้นครับแผนงานของเราจะได้การสะตาปนาไว้ชุภาะิศสนี้เน้นถึงความสําคัญของการพึ่งพาพระเจ้า เป็นการดีที่เราจะเริ่มต้นแต่ละวันกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นและจะเป็นการดีที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าทุนของการสร่งนำของพระองค์เพื่อแผนการต่างๆที่เป็นน้ำพระทัยของพระของพระเจ้านันจะสำเร็จครับฉะนั้นเราควรจะต้องมอบแผนงานของเราให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงรับรองและทรงกระทาให้สำเร็จอาวีน